ตามปกติในวัดของเราก็จะมีการประชุมกันวัน8ค่ำ15คำ่ำอันนั้นคือปกติแต่เห็นว่ามีพระนักศึกษาพนักงาเข้ามาบวชในเวลานี้ถ้าหากว่าเราจะประชุมกัน8ค่ำ15คำ่ำ ก็คงมีเวลาน้อยเกินไปสำหรับนักศึกษาผู้ที่เข้ามาศึกษาเพราะนั้นผมจึงถือโอกาสไปชุมแต่ส่วนประชุมจะทุกครั้งทุกวันหรือไม่เดี๋ยวผมจะกําหนดดูอีกสักครั้งหนึ่งเพราะในช่วงนี้ผมก็ยังมีภาระที่จะต้องไปดูแลเจดีของคุณแม่งานของคุณแม่ที่ห้วยทราย เพราะนั้นผมก็ยังไม่พูดว่าจะประชุมทุกวันแต่ตาม่จริงในใจก็อยากจะประชุมทุกวันนั่นแหะเพื่อให้แนะแนวสําหรับพระนักศึกษาลูกหลานที่เข้ามาอบรมเข้ามาศึกษาในวัดแต่วันนี้ก็อันดับแรกก็อยากจะให้พวกเราได้ศึกษาวินัยคือศีลศีลที่พระพุทธเจ้าบัญญัติ ศินสองรอี่สิบข้อนั้นมีอะไรบ้างอยากจะให้พวกเราได้ศึกษาเพราะนั้นให้จะให้อ่านศินซะก่อนนะสิล น, นี่ก็คือศินมาในพระปฏิโมกีิว่าศินพระ227รอข้อนั้นมีอะไรบ้างดังนั้นกับพระจะได้อ่านให้พวกเราฟังด้วยกันแล้วก็เมื่อฟังแล้วยังมีความสงสัย ก็ไปค้นหนังสืออยู่ที่ห้องสมุดก็ได้คือวินัยมุกเล่มหนึ่งนะและวินัยมุกเล่มหนึ่งนวโกวัตรนวโกวัตแล้วก็ผีดอ่านเนี่ยเป็นนวโกวัตรเป็นเจ็บเป็นย่อเป็นทิ่ขบทย่อแต่จะให้เข้าใจง่ายก็ให้ไปอ่านในวินัยมุกเล่มหนึ่งแต่อยากจะให้รู้จัก ความเป็นมาจริงๆของวินัยให้ไปอ่านในพระไตรปิฎกจะมีในพระวินัยปิฎกที่เป็นสีฟ้าทั้งหมดมีอยู่ห้าเล่มด้วยกันเป็นจะเล่มหนาๆใหญ่ๆนะแต่นั้นจะเข้าใจได้ชัดเลยจะอธิบายให้ชัดเจนกว่าวินัยสิกขามบทนี้พระพุทธเจ้าบัญญัติที่เมืองไหนพระองค์ไหน ทำไม่เพราะเหตุใดแล้วก็มีอนุบัญญัติอีกอเหมือนกับกฎหมายนะลูกกฎหมายลูกนะพอกฎหมายแม่เสร็จแล้วก็กฎหมายลูกอันนี้ก็เหมือนกันมีพระวินัยเป็นหลักแล้วก็คือพระวินยัยต่อลงมาอีกให้แค่ว่าในสิกขาบทนั้นต้องมีบริวารอีกสำหรับปรับอาบัต แต่ไม่ถึงกับเป็นอาบัตจุดนั้นแต่ว่าใกล้เคียงไม่ว่าเป็นอาบัตลูกเป็นอาบัตทุนลใจบ้างเป็นอาบัตทุกกดบังเป็นอาบัตปลายจิตตีบ้างที่ออกไปจากอาบัตใหญ่เพราะนั้นถ้าพวกเราจะถ้าว่าพวกเราได้ศึกษานะกรศึกษาในจุดนั้นได้แต่ผมเองผมก็ไม่อยากจะแนะนาในพวินัยจุดนี้ กอให้พวกเราให้ศึกษาเรื่องหลักธรรมจะดีกว่าหลักธรรมคือต้านจิตใจสำหรับหลักวินัยคือสิลนั้นเมื่อเรามีโอกาสเราจะค่อยศึกษาแต่สำหรับพระเก่าพระที่บวชจะบวชนานอันนั้นสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาพพินัยให้เข้าใจสิกขาบทไหนเป็นมาอย่างไรพระพุทธเจ้าบัญญัติที่ไหนเพราะเหตุไรภิกษุองคไหนเป็นผู้ตองอาบัตินั้นอยากจะให้ พวกเราศึกษานวินยัยเพราะวินัยนี่เหมือนกับกฎหมายเราจะไปอ่านรั่วดเดียวจบไม่ได้ตีความและจาทีเดียวไม่ได้ต้องอ่านแล้วอ่านอีกซ้ำซากแล้วก็ต้องตีความหมายอ่านแล้วก็พยายามอ่านช้าๆเข้าใจแล้วตีความหมายแล้วก็อ่านหลายครั้งเพื่อความเข้าใจนั่นแนหะอันนี้ก็คือพวินยัยอันนี้สำหรับพระเก่าควรจะเป็นอย่างนั้น แต่สำหรับพระใหม่นี่พอพอรู้แนวทางนะแล้วก็น่าจะเพียงพอถ้าว่าเราสนใจเราก็จะได้รู้ไม่ใช่ว่าบวชเข้ามาแล้ววินัยของพระสินยี่สข้อนั้นมีอะไรพอเขาว่าพอศึกออกไปเป็นครวัตเหตุเขาว่าอย่างไงเขาว่าไปตามเขาเพราะตัวเองก็ไม่รู้พระวินัยเห็นว่ามันไม่ถูกว่ามันไม่ถูก แต่ตามไม่จริงในพระวินัยนะั้นไม่ได้ว่าอย่างนั้นไม่ได้บัญญัติอย่างนั้นแต่เอาความคิดของตัวเองเข้าไปว่ า, า น, นีมันก็ไม่ถูกนะอย่างยกตัวอย่างเช่นพิกสู่โพลีอย่างนี้ในพระวินัยผิดไหมไม่ผิดพระวินัยนะแต่ว่าโลคาวัชชะทุกวันนี้ไม่สมควรนแต่จะไปปรับโทษท่านเลยทีเดียวก็ไม่ได้เพราะาพระวินัยมันไม่มีนะอันนี้แหละยกตัวอย่าง อันนี้เพราะเหตุนั้นเราจะไปปรับท่านทีเดียวก็ไม่ได้พ่อวอรพระวินัยก็ะือพ่ะวินยัยแล้วใครจะเป็นผู้ตั้งวินัยก็ไม่มีเพราะพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วพระพุทธองค์บอกว่าอย่าถอนสิ่งที่เราที่พระพุทธเจ้าบัญญัติแล้วห้ามบัญญัติที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติขึ้นอันนี้ก็คือ มีวินัยอยู่อย่างไงก็ตายตัวอยู่อย่างนั้นแต่ว่าสิ่งไหนที่มันไม่ถูกต้องเราก็อนุโลมเข้าไปแต่ตั้งกฎเกณฑ์กันขึ้นมาใหม่อันนั้นก็คือใครเขาว่าในการดูแลปกครองสงเพื่อให้ถูกกาลเทศะในการนั้นๆความเหมาะสมในเรื่องนั้นๆมีอะไรลักษณะถาาว่าพวกเราจะถามเข้ามาทําไมเพราะอะไรก็อย่าง ทุกวันนี้ก็เพราะสมัยนั้นไม่มีรถยนต์ใช่ไหเนีย่ยรถยนต์ไม่มีแต่แตอนี้ถ้าว่าให้พระขับรถยนต์มันดูแล้วมันดีไหมไม่ดีไม่เหมาะถ้าว่าพระจะพาไฟแดงและอะไรลักษณะนะั้นเกิดขึ้นมาเนี่ยพระขับรถมันมีโอกาสที่จะผิดกฎหมายได้ง่ายแต่นี้ไม่สมควรอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าไม่ได้มั่นยัด ไม่ได้ห้ามแล้วไม่ได้บัญญัติเพราะเหตุไรเพราะว่ารถยนต์ไม่มีอะไรสมัยนั้นแต่มายุคสมัยนี้ทาาว่าพระไปขับมันก็ดูไม่เหมาะสมไม่งามอันนี้ก็ตั้งกฎกันขึ้นมาในคณะสงฆ์ว่าไม่ควรจะขับไม่ควรจะขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ควรจะขับรถอย่างนี้อันนี้ก็คือทาวว่าเป็นกฎคือคือกฎในยุคสมัยเพื่อเพื่อให้มันเข้ากับ ยุกสมัยนวากาและเทศะการสถานที่บุคคลนะและผมอยากจะให้เอามาหาน้อยมาอ่านนะและก็มาหาปัญญาที่บวชใหม่พวกเอามาหาเนะืมาอ่านดูสิว่าเป็นยังไงถ้าว่าให้พระนวากะอ่านนะคะคงจะอ่านบางทีมันเกี่ยวกับบาลีบ้างคงจะอ่านไม่ถูกเอามาหาหน่อยกับมาหา ปัญญาที่บทใหม่มานั่งนี่เลยสิวินัยบัญญาอนุศาสต์แดอย่างนิสัยสี่อักรณียกิจสี่ปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิตเรียกนิสัยมีสี่อย่างคือเที่ยวมินทบา b 1หนงนุ่งห่มผ้าบางสุกุลหนึ่งอยู่โคลนไม้หนึ่งฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่าหนึ่ง กิจที่ไม่ควรทำเรียกอาการณียกิจมีสอย่างคือเศษเมถุนหนึ่งักของเขาหนึ่งฆ่าสัตว์หนึ่งพูดอวดคุณพิเศษที่ไม่มีในตนหนึ่งกิจสี่อย่างนี้บรรพชิตททำไม่ได้สิขาของภิกษุมีสมอย่างคือศีล ส, สมาธิปัญญาความสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีล ความรักษาใจมั่นชื่อว่าสมาธิความรอบรู้ในกองสังขารชื่อปัญญาโทษที่เกิดเพราะความละเมิดในข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามเรียกเรียว่าอาบัติอาบัตินั้นว่าโดยชื่อมีเจ็ดอย่างคือปาราชิกหนึ่งสังขาดิเศษหนึ่งทุลใจหนึ่งปาจิตตีหนึ่งปาติดเดสนิยะหนึ่งทุกกฎหนึ่งทุกภาสิทธหนึ่ง เสขียวัตวัดที่ภิกษุจะต้องศึกษาเรียกว่าเสขียวัตเสขียวัตนั้นจะเป็นสหมวดหมวดที่1เรียกว่าสารูปหมวดที่สองเรียกว่าโภชนะปฏิสังยุตต์หมวดที่3เรียกว่าธรรมเทศนาปฏิสังยุตต์หมวดที่4ี่เรียกว่าปกินณ ก, กะสารูปที่หนึ่งมี26่สองภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจะนุ่งห่มให้เรียบร้อย 3- าสี่ ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจะปิดกายด้วยดีไปนั่งในบ้านห้หกภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจะระวังมือเท้าด้วยดีไปนั่งในบ้าน78็ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจะมีตาทอดลงไปนั่งในบ้าน90้ิภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจัะไม่เวกผ้าไปนั่งในบ้าน 11. 12อิภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักไม่โห่เราะไปนั่งในบ้าน 13. 14าิบสีพิสูจพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่พูดเสียงดังไปนั่งในบ้าน 15.16. ้ิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่โครงกายไปนั่งในบ้าน 17.18 จิกษปพูพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่กวยแขนไปนั่งในบ้าน 19. บเก้ิบพิสูจพึงทำความศึกษาว่า เราจักไม่สั่นศีรษะไปนั่งในบ้าน2122ภิกษพ in ุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่เอามือข้ำกายไปนั่งในบ้าน23 24ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่เอาผ้าคลุมศีรษะไปนั่งในบ้าน 25. ภิกษุพิสูจึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่เดินกรโยงเท้าไปในบ้าน26ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักไม่นั่งรัดเข่าในบ้านโภชนะปฏิสังยุตที่2มี30 1. ภิกษุพึงทําความศึกษาว่าเราจักรับบิณฑบาตโดยเขารบ 2. ภิกษุพึงทําความศึกษาว่าเมื่อรับบิณฑบาตเราจักเเดูแต่ในบาตสามิกษุพึงทําความศึกษาว่าเราจักรับแกงพอสมควรแก่เข้าสุข 4. ภิกษุนพึงทําความศึกษาว่า เราจักรับบิณฑบาตแต่พอเสมอขอบปากบาต5ภิกษุพึทงทำความศึกษาว่าเราจักฉชั้นบิณฑบาตโดยเคารพ 6. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเมื่อชั้นบิณฑบาตเราจักเเดูแต่ในบาต 7. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่ขุดเข้าสุกให้แหว่ง 8. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักรันแกงพอสมควรแก่ข้าวสุก 9. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักไม่ขยุ่มข้าวสุกแต่ยอดลงไป 10. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่กบแกงหรือกับข้าวด้วยข้าวสุกเพราะอยากจะได้มาก 11. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราไม่เจ็บไข้จักไม่ขอแกงหรือข้าวสุกเพื่อประโยชน์แก่ตนมาฉัน1ิภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่ดูบาดของผู้อื่นด้วยคิดจะยกโทษ 13. ภพิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจะไม่ทำคข้าให้ใหญ่นัก 14. ภพิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจะทำคำเข้าให้กลมกล่อม1ิบพิสูพึงทำความศึกษาว่าเมื่อคำเข้ายังไม่ถึงปากเราจะไม่อาปากไหว้ท่า 16. ภิกษุูพึงทำความศึกษาว่าเมื่อฉันอยู่เราจะไม่เอานิ้วมือสอดเข้าปาก17พิสูพึงทำความศึกษาว่า เมื่อข้าวอยู่ในปากเราจกไม่พูด 18. พภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจกไม่โยนคำข้าวข้อปาก1ิกภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจกไม่ฉันกัดคำข้าวสภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจกไม่ฉันทำกระพุ้งแก้มให้ตุย21่ิภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่ฉันพลางสะบัดมือพลาง ย2่ิกษอพูจพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่ฉันโปรยเมล็ดข้าวให้ตกลงในบาดหรือในที่นั้นๆ23ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่ฉันแลบลิ้น24่ิกษีพูจพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่ฉันดังจับจับยีิบห้พิสูจพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่ฉันดังสู้ดสู้ยี่สิกษิูพึงทำความศึกษาว่า เราจักไม่ฉันเลียมือยี่สิบเจ็พิูพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่ฉันขอดบาดยี่สิบษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่ฉันเลียริมฝีปากยี่สิบเก้าพิูุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่เอามือเปื้อนจับภาชนะน้ำสามสิบษิูุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่เอาน้ำล้างบาดมีเมล็ดข้าวเทลงในบ้าน ธรรมเทศนาปฏิสังยุตที่3มี16 1. พภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้มีร่มในมือ 2. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้มีไม้พลองในมือ 3. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้มีสัตราในมือ 4. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจกไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไขมีอาวุธในมือ 5. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไขสวมเขียงเท้า 6. ภิกูุพึงทำความศึกษาว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไขสวมรองเท้า 7. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไขไปในยาน 8. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจกไม่แสดงธรรมแกค่คนไม่เป็นไข่อยู่บนที่นอน9ภิกษุพึงตทำความศึกษาว่า Ref! เราจักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข่นั่งรัดเข่า10ภิกษุพึงทาความศึกษาว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข่พันศีรษะ11บภิกษุพึงตทำความศึกษาว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข่คลุมศีรษะ12ภิกษุพึงทาความศึกษาว่า เรานั่งอยู่บนแผ่นดินจักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข่นั่งบนอาสนะ13บภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเรานั่งบนอาสนะต่ำจักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข่นั่งบนอาสนะสูง14ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเรายือนอยู่จักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข่ผู้นั่งอยู่สิหภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราเดินไปข้างหลัง จะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ผู้เดินไปข้างหน้า 16. ภิกษุพึงตทำความศึกษาว่าเราเดินไปนอกทางจากไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ผู้ไปในทางปักกินกะที่4มี3 1. ภิกษุพึงตทำความศึกษาว่าเราไม่เป็นไข้จกไม่ยืนถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะ 2. ภิกษุพึงตทำความศึกษาว่าเราไม่เป็นไข้จกไม่ถ่ายอุจจาระ ถ่ายปัสสาวะบ้วนเกละลงในของเขียว 3. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราไม่เป็นไข่จากไม่ถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะบ้นเกละลงในน้ำที่พวกเราฟังจบลงจากคร่นี้อันนี้คือพอพผิดหนพวกเราจะต้องศึกษาเพราะนว ก, กะเข้ามาบวชใหม่ จะต้องรู้เรื่องศีลวินัยกฎระเบียบการเป็นอยู่เพราะว่าศีลถ้าว่าพระไม่มีศีลก็เหมือนพระไม่มีเสื้อผ้าไม่มีผ้านุ่งห่มไม่มีสิ่งปกปิดร่างกายเพราะนั้นผ้าทั้งจัดว่าเป็นอาภรเป็นเครื่องปกปิดร่างกายถ้าว่าพระไม่มีศีลก็เหมือนพระไม่มีอาภรไม่มีผ้านุ่งดูไม่ได้ อันนี้ก็เหมือนกันถ้าพระไม่มีศีลทำอะไรทำตามมัทธาใจทำตามอาเภอใจนว่าพระไม่มีสีรายจารวัตเป็นที่ตำหนิของคนทั้งหลายเป็นพระที่ไม่มีศีลเพราะฉะนั้นศีลที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ที่พวกเราได้ศึกษาคร่าวๆวันนี้พวกเราก็คงจะยังไม่เข้าใจในรายละเอียด แต่ต่อไปถ้าว่าสงสัยตรงไหนอย่างไรให้พวกเราถามได้นะเพราะว่า น, นี้เป็นกุญแจดอกแรกที่ให้พวกเราได้ศึกษาเปิดความรู้หรือว่าเปิดว่าพินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัตินั้นมีอะไรบ้างเพราะนั้นพวกเราเข้ามาศึกษาเมื่อเราไปศึกษาเมื่อเราไปอยู่ในกฎใดกลุ่มใด คณะใดประเทศชาติใดเราก็ต้องศึกษากฎระเบียบกฎประเทศชาติกฎหมายประเทศชาตินั้ น, น, นในเมื่อเราเข้ามาอยู่ในกฎระเบียบของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าบัญญัติวินยัยสินวินัยเอาไว้หรือหลักพระธรรมคำสั่งสอนเอาไว้อย่างไรพวกเราก็ควรจะศึกษาในกฎระเบียบหรือธรรมวินยัย ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วนั้นอันนี้พวกเราที่เข้ามาบวชก็ได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติเอาไว้ตั้งแต่เราบวชขั้งแรกแ ต, ต้องท่องเอสาหังอย่างนี้เป็นต้นอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ให้ผู้ที่จะเข้ามาบวชให้ขอบวช ด, ด้วยตนเองอันนี้พวกเราก็ทํา ถูกต้องจากนั้นก็มีพระสงฆ์รับจัดให้มีการอุปสมบทมีการสวดมีการรับมีพระสงฆ์มาเป็นสักขีพยานกระถูกต้องตามพระวินัยทั้งหมดคือพวกเราทาตามที่พระพุทธเจ้าบัญญัติมาเป็นลำดับลาดั บ, บแต่ทีนี้มาเมื่อเราเป็นพระแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ให้สอนเรื่องศีลและวินัยสำหรับพระ พราะนั้นจึงได้อ่านพระวินัยในนวโกวาทที่ผมให้พระท่านอ่านให้พวกเราท่านนักหลายได้ฟังได้ศึกษาแต่ว่าพวกเรายังไม่เข้าใจในรายละเอียดก็ให้ถามพระผี่เลี้ยงได้หรือว่าเอาหนังสือนวโกวาทไปอ่านไปศึกษาดูก็ได้นะแต่ก็อย่างว่าผมก็ไม่อยากจะให้อ่านเรื่องศึกษาเรื่องทั้งนอกมากเกินไปอยากจะให้พวก เราที่เป็นนิสิตนักศึกษามีเวลาน้อยอยากจะให้ปฏิบัติมากกว่าอยากจะให้ภาวนามากกว่าอยากจะให้ดูใจของตัวเองมากกว่าเพราะใจนี่เป็นบ่อเกิดนวดใจเป็นต้นต่อของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่างพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติวินัยในครั้งพระพุทธเจ้าท่านยกเป็นเรื่องขึ้นมา คนในยุคนั้นพระภิกษุเข้ามาบวชแต่ผมไม่ขอกล่าวในรายละเอียดแต่ผมขอกล่าวเฉพาะว่าเมื่อบวชเข้ามาแล้วนะอาจารย์ก็สอนธรรมองค์หนึ่งก็สอนวินัยคือสอนธรรมก็คือสอนแนวภาคปฏิบัติเรื่องสมาธิเรื่องสมาธิเ ร, าธเรื่องปัญญาเรื่องพิจารณาอสุภะอย่างนี้แล้วสอนธรรมองค์หนึ่งก็สอนวินัย สอนวินัยก็คือสอนกฎระเบียบอย่างที่พวกเราได้ศึกษาเมื่อกี้นั่นองนั้นก็พอมาเจอวินัยเข้าอันนั้นก็ผิดอันนั้นก็ไม่ถูกมันต่างเยอะแยะเหลือเกินตั้งสองยี่บข้ออย่างที่พวกเราได้ฟังเมื่อกี้นีน่อันนี้สินมาในพระปฏิโมกศิลในอภิสมาจารย์อีกเป็นร้อยเป็นพันถ้าพวกเราได้ศึกษา อันนั้นก็เป็นอำนาจทุกกด น, นี่นก็เป็นอำํำนาจปาจิตตีทุนได้ใจเอ๋พระองค์นั้นท่านก็เลยโอ้ตะก่อนเราก็อยากจะได้บุญจ ะ, จะได้บุญให้มากเนีตั้งแต่คราวญเราให้ทานรักษาศีลนี่ยรักษาศีลแปดจากนั้นก็อยากจะได้บุญให้มากกว่านั้นจึงได้มาบวชพอบวชเข้ามาแล้วมาเจอเรื่องวินัยศีลคงจะอยู่ไม่ได้เพราะว่า ละเอียดมากคงจะปฏิบัติไม่ได้ทุกตัวทุกสิกขาบทกลัวจะเป็นบาปผมจะขอลาสิกขาไปรักษาศีลห้ารักษาศีลอุโบสถครับผมอันนี้พระอุปชาอาจารย์พระอุปชาอาจารย์ก็ไม่รู้จะทำยังไงถ้าจะบอกว่าศึกไปซะบางทีมีคนเข้ามาบวชอีกและจะกล่าวอย่างนั้นอีกทนี้นและจะจะตอบเขาว่า ย, ยังไงเมื่อพระพุทธเจ้าบรรยปิญญนัย มันหยัดสิกขาบทมันหยัดให้พระสงฆ์ประพฤติปฏิบัติแล้วมีคนล่าถอยแล้ว่ามีคนถอยออกมาอย่างนี้ยมีคนไม่สู้อย่างนี้แล้วจะปฏิบัติอย่างไรพระสงฆ์ก็นำพระองค์นั้นนะที่ว่าไม่สู้จยากจะลาสิกขาเพราะว่าวินัยมากลระเกิดไม่รู้จะรักษาสิกขาบทไหนเข้าไปกราบพระพุธทธเจ้าพระพุธทธเจ้าบอกว่าเป็นยังไง ภิกษุพระองค์นั้นถ้าก็กราบทูลพระพุทธองค์อย่างที่ในใจของท่านที่เมื่อเป็นคราวญท่านก็อยากจะได้บุญพระสงฆ์ก็แนะนําให้รักษาศีลห้าให้ทานรักษาศีลจากนั่งรักษาศีลอุโบสถจากนั่นก็รักษาให้มาบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อจะได้บําเพ็ญทาง จ, จิตใจตัดกิเลสบําเพ็ญทางจิตตะภาวนาพิจารณาถึง ความเกิดความเสื่อมไตรลักษณ์จะได้ตัดกิเลสเป็นพระอราหันต์ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอนั้นคือบุญกุศลอันสูงสุดเี่ยพระสงฆ์ท่านก่อนแนะนำให้เข้ามาบวชเพื่อตัดกิเลสทางโลกออกจะมีเวลาในการบมเพ็ญเมื่อเป็นพระแล้วนะแต่เมื่อพอโยมคนนั้นเข้ามาเป็นพระเอพอเป็นพระเข้าไปแล้วโอ้โ อันนั้นก็ผิดอันนี้ก็ผิดเนีไม่รู้จะปฏิบัติได้หรือเปล่าก็ตัวเองจะเป็นบาปดูยังไงจึงจะจึงจะถูกเพราะวินัยที่ท่วงละเกินกลัวจะผิดวินัยจะขอลาไปเป็นคารวัตเพราะนั้นจะกลาบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์คงจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าวินัยศีกวินัยนี่รู้สึกว่าข้าพระองค์คงจะปฏิบัติไม่ได้เพราะว่ามากละเกิน กระผมคงปฏิบัติไม่ได้กระผมกลัวบาดทามไอยู่ไปปฏิบัติในหลับพระวินัยไม่ได้เพราะนั้นกระผมจะขอลาสิขาเพราะพระพุทธองค์บอกว่าเธ อ, เ อ, อรักษาข้างนอกไม่ได้เพราะมันมากเกินไปให้เธอรักษาอันเดียวได้ไหม เธอรักษาอันเดียวได้ไหมได้พระเจ้า่าถ้าอันเดียวถึงจะยากขนาดไหนข้าพระองค์ก็จะรักษาได้ถ้าอันเดียวพระพุทธองค์บอกว่าให้รักษาใจให้เธอดูใจให้เธอดูใจอย่างเดียวอย่าไปคิดในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอย่าไปโกรธอย่าไปโลภอย่าไปหลงสิ่งที่มันจะโลภคืออะไรสิงจะมันจะโกรธคืออะไรถิงจะหลงนั่นคืออะไร ที่ราคาที่มันจะมาสู่จิตใจนั่นคืออะไรมือพระองค์นั้นท่านก็ครับผมวิธีการที่จะดูจิตใจให้อยู่ในความสงบไม่ให้มันปุงออกไปข้างนอกเพราะพุทธองค์ก็สอนให้มีสติอยู่กับตัวเองอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออ ก, กอย่างนั้นะแต่ในพระองค์นั้นท่านนั้นก็ท่านก็รักษาแต่ใจอย่างเดียวเมื่อรักษาใจอย่างเดียว เรื่องทั้งหลายทั้งปวงพระวินัยที่เป็นสาขาที่พวกเราได้ศึกษาได้อ่านจบตรงสักครู่นี้ออกไปจากใจของเราเนี่ยแหละคิดนะคิดไปทําอย่างที่พระวินัยเกี่ยวกับสังฆาธิเศษหรือปลาลชิกอย่างเนี้ยทั้งสี่ข้อนั่นนะก็ใจสักคิดสัก่อนมันจึงไปทำเอากายไปทําแล้วอาวายาไปพูดแล้วก็เป็นอาบัต บาละชิกถ้าว่าใจของเราไม่คิดไปทําความชั่วไปคิดไปในทางที่ไปถูกต้องมันจะพูดมันจะทําได้อย่างไรเพราะนั้นรักษาใจอย่างเดียวครอบหมดศินทั้งหลายเป็นร้อยเป็นพันในสิกขาบทไหนก็ตามถ้ารักษาใจตัวเองแล้วนั่นแหละจบอยู่ที่นั่นเพราะนั้นถ้าจะว่าไปแล้วศินวินัยเนี่ย อยู่ที่ใจท่านรักษาใจดีแล้วไม่ผิดสินและไม่ผิดวินัยเพราะว่าก่อนที่จะผิดนั้นใจต้องคิดซะก่อนแล้วก็ส่งกายไปกระทำแล้วโคส่งวาจาไปพูดบางทีพูดออกไปก็ผิดวินัยอย่างมุสาอย่างไี้มุสาในถ้าไม่ใช้วาจาพูดเราก็ไม่รู้อย่างฆ่าสัตว์นี่เอาปากไปฆ่าก็ไม่ได้ เป็นเสียสั่งให้คนอื่นฆ่าก็ต้องเองต้องไปลงมือเองก็ใช้กายไปกระทําเมื่อการทาก็คือมาจากใจใจสั่งให้วาจาพูดพูดปดใจสั่งให้ร่างกายไปฆ่าสัตว์ไปตบยุ่งอย่างนี้อันนี้ก็คือใจเป็นผู้สั่งการในเมื่อดูใจซะการทำอย่างนั้นไม่ถูกต้องผิดพุทธบัญญัติ พกะพุทธเจาก่าาฆ่าสัตว์อย่ามุษาอย่างนี้ใจของเราก็รู้แล้วถ้าเราคิดจะไปมุษาก็ดูที่ใจคิดว่าจะไปตบยุงดูที่ใจเมื่อใจรู้แล้วว่ามันตบยุงมันไม่ถูกก็สั่งกายไม่ให้ตบให้ไล่มันออกซะสรุปแล้วก็คือสิ่งอยู่ที่ใจถ้าคนตายแล้วก็ไปว่าหมดการคุ้มครองในสิ่ง เพราะนั้นพวกเราอยาอยาปไปหนักใจในเรื่องสินให้ดูใจของตนเองท่านน้บพอนะเพราะนั้นเรื่องสินที่พวกเราได้ศึกษาได้อ่านไปทั้งหมดนี้ออกไปจากใจของพวกเราทั้งหมดแต่ว่าพวกเราอยู่ที่นี่นะมีเรื่องอะไรที่ไม่เข้าใจก็ถามพระผีเลี้ยงนะ ถามอาจารย์เด็กก็ได้ถามอาจารย์รัตนะก็ได้หรือพระที่อยู่ในนี้ถ้าว่าเกี่ยวกับไม่สบา ย, ยก็บอกมาพระเวียนสลาเราก็มีประจําอยู่แต่พระเวียนสล า, าก็บผัดเปลี่ยนกันอยู่องค์ละเจ็ดวันนะเพราะฉนั้นพวกพระนว ก, กะให้ตั้งอกตั้งใจภาวนานะแต่กลางวันจะไปคุยกันตนะ่างองค์ต่างอยู่พยายามเพราะตามตามให้จริง พวกเราอยู่ตามกุฏินันกระจบว่าเวอ้างว่างนั่นแนหะก็รู้แต่เราต้องคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระอระหันต์ที่ท่านอยู่ในป่าดงพงไพรสมัยก่อนท่านอยู่ในถ้ำในป่าดงพงไพรก็คงใจะยิ่งกว่าพวกเราอยู่ขณะนี้อีกต่างหากเพราะฉะนั้นต้องพยายามอยู่ตามลําพังดีหลีหนีดูซิว่าเราให้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าพาปฏิบัติดูซิว่าเป็นยังไง ฝืนดูสิเป็นยังไงคือให้อยู่ตามลําพังไม่คุยกันแต่ละวันนู่โ น, โนละฉันยังหันเสร็จแล้วกัต่างองค์ต่างอยู่สู้ดูสิอยู่ตามลาพังดูสิเป็นยังไงเราจะได้เห็นใจของของเราเองใจของเราคิดเรื่องอะไรเราจะได้รู้นั่นแหละในเมื่อเราไปอยู่ตามลาพังเราจะรู้ว่าใจของเราคิดเรื่องอะไร เ, เมื่อรู้ว่าคิดเรื่องอะไรเราจะรู้ต้นเหตุว่า โอ้ใจของเรามันคิดอย่างนี้เองเพราะฉะนั้นท่านจึงให้อยู่ตามลําพังคนเดียวองค์เดียวจะ ร, รู้ในรู้รลเทนี้ดูใจขตน เ, เองใจของเรามันคิดในไปทางไหนมัน ว, าว้าหวีอ้างว้างใช่ไหมเอมันคิดถึงบ้านใช่ไหมคิดถึงคุณนุ่นเทนี้ใช่ไหมคิดถึงการเที่ยวการเตรยใช่ไหมคิดอยากจะพูดจะคุยใช่ไหมเราก็จะรู้ได้เนี่ยแหละ เราบวชมาในครั้งนี้นี่หลักของพระพุทธศาสนาท่ทานให้มาศึกษาเรื่องใจให้มาดูใจใจเป็นใ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้ว้วยใจใจนี่แหละเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งในหลักของพระพุทธศาสนาเพรา ะ, ะนั้นพวกเราเข้ามาบวชในครั้งนี้ก็มานี่ะอยากจะให้มาอยู่ศึกษาเรื่องใจจะทำยังไงใจจึงจะหยุดคิดเท่น จะทำจิตให้สงบให้ได้อย่างที่ผมได้พูดแต่ครั้งแรกแล้วว่าในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีาศาสนาใดไม่มีวิชาแขนงใดเหมือนกับวิชาของพระพุทธศาสนาวิชาของพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้คิดแล้วก็สอนให้หยุดคิดแต่วิชาของที่อื่น วิชาทางโลกเดือดมีสอนให้สอนให้คิดสอนให้าหาเหตุผลแต่วิหลักวิชาของพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้หยุดคิดเวลาปิดประตูก็ให้ปิดได้ไม่คิดได้ไหมเวลาเปิดประตูคิดยังไงก็ให้รู้จักวิธีการคิดคิดยังไงถ้าทำได้อย่างนั้นแปลว่านี่แหละพวกเราปฏิบัติตามแนวแถวของพระพุทธเจ้า อันดับแรกพระพุทธองค์ก่อนที่ท่านจะสอนหรือว่าให้พวกเราได้ศึกษานั้นอันดับแรกเว่าสุตตมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังการศึกษาจากครูบาอาจารย์ได้ยินจากหมู่จากเพื่อนได้ยินจากหนังสือตำรับตำราจากเทปจากซีดีอะไรก็ตามที่ว่าเป็นแนวแถวที่เพื่อการศึกษา เป็นหลักธรรมเป็นหลักวิ น, นัยเป็นหลักพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เราศึกษาในพระไตรปิฎกอันนี้แรลว่าสุดตรมยปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังกินตรมยปัญญาปัญญาเกิดจากการกินตนาการเมื่อได้ยินเมื่อได้เห็นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเราก็เอาเรื่องที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังนั้นมาวิเคราะห์ อ, อีกทีหนึ่ง มาพิจารณาไตรตรองเหตุและผลอีกทีหนึ่งอย่างที่พวกเราได้ยินพระวินัยของพระพุทธเจ้าทําไมพระพุทธเจ้าจึงมันหยัดวินัยสิกขาบทนี้ขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเหตุไรทําไมสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็มาไตรตรองเหตุและผลนะจินตามะยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาการหรือว่าการวิเคราะห์ในเรื่องเหล่านั้นปัญญาก็เกิดขึ้นมาได้เพราะว่าเข้าใจในเรื่องที่เราวิเคราะห์ หรือว่าเราไต่ตองด้วยเหตุผลนั้นๆเรื่องนั้นๆเหตุการณ์นั้นๆอันนี้พราว่ากินตามมยะปัญญาภาวนามยาปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตให้สงบซะก่อนเนี่ยอันนี้เราให้ปิดประตูนะคือให้ปิดประตูซะก่อนให้นิ่งซะก่อนถ้าเราเนิ่งแล้วเราจะมองเห็นสิ่งต่างๆได้ ถ้าจิตใจของเราปรุงฟุ้งซ่านทั้งวันเพอเอจะเป็นบ้าออกแล้จะไปคิดให้มันมีเหตุมีผลคงจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้พูดอย่างนั้นได้เพราะมันปรุงจิตใจมันมันฟุ้งเพอเพอแล้วมันไม่รู้ทํำยังไงจนได้กินยาแล้วงประสาทถึงขนาดนั้นแล้วจะมาคิดหาเหตุและผลนั้นคงจะคิดไม่ออกเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ปิดให้อยู่กับอารมณ์หนึ่ง ห้าลมหนึ่งก็คืออะไรกําหนดลมหายใจเข้าออกหรือให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของตัวเองการที่จะอยู่อย่างนั้นได้ไม่ใช่ว่าจะเกิดตามลําพังได้ไม่ใช่ต้องบังคับต้องบังคับตนเองเพราะวันนี้เราเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะเป็นตัจรุธรรมท่านก็บังคับใจของพระ อ, องค์เข้าสู่หลักเข้าสู่กฎเกณฑ์เข้าสู่กรรมฐาน อย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้หลักธรรมหรือว่าได้หลักจิตหลักใจมาท่านก็ไม่ใช่ว่าได้มาแบบเลื่อนลอยได้มาแบบไม่ได้คิดได้ตั้งใจได้มา ب, แบบแบบลอยๆได้มาแบบง่ายๆไม่ใช่อย่างนั้นก่อนที่ท่านจะได้มาเนี่ยท่านต้องบังคับคือพยายามบังคับใจให้อยู่กับกรรมฐานกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งอย่าบอกกรรมฐานลมหายใจเข้า หายใจออกอยูน่นะให้มีสติกับลมหายใจเข้าออกสติสัมปชัญญะหรือเอาสติกํากับใจใจที่นึกคิดนั่นเอาเข้ามาจับตัวนั้นเจ้าตัวที่ตัวนึกคิดนั่นตัวนั้นะเป็นตัวเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆในเมื่อเราเอาสติมาจับตัวนั้นแล้วใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบนะมันจะไม่คิดทีไห มันจะนิ่งเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบนวจิตนิ่งก่อนที่จะมันจะนิ่งเรียกว่สติจะจับจุดนั้นได้นะมันไม่ใช่ของง่ายแต่ก็ไม่เหลือวิสัยไม่เหลือวิสัยที่พวกเราตั้งใจว่าจะให้มันสงบแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ใส่ใจนะั้นมันจะเข้าไม่ได้พูดอย่างนั้นได้ แต่ถ้าว่าเรามีความพยายามอยู่มีความมุ่งมั่นอยู่ว่าเราจะต้องทำจิตให้สงบให้ได้ในครั้งนี้กาหนดพยายามบังคับเข้าสู่กรรมฐานที่พวกเราตั้งใจเอาไว้จะกาหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทกเรีวยกว่าขาก้าวเดินพุทโทกเดินนานที่สุดไม่ต้องว่าเราเดินย่ำอยู่ในโลกวัตะสงสารมันนานจากเท่าไหร่เราเดินเพียงแค่นี้ จะว่านานได้ยังไงเรานั่งพยายามนั่งบริกรรมพุทโธพุทโธหรือว่าพุทโธพุทโธพุทโธให้ทีในขณะจิตที่มันคิดไม่ให้มันส่งออกไปข้างนอกอันนี้เราว่าบริกรรมบริกรรมภาวนาเอาสติบังคับใจให้อยู่กับจุดใดจุดหนึ่งที่ใดที่หนึ่งถ้าว่ามันไม่อยู่จริงๆรนะิ มันอามันอยู่จริงๆเราให้พิจารณาโครงร่างโครงของร่างกายอย่างพวกเราที่เป็นนิสิตนักศึกษาหรือว่าพวกเราเป็นที่เคยเห็นโครงกระดูกที่ไหนจะเป็นเห็นในกระดาษหรือว่าเห็นในโครงกระดูกอยู่ในวัดที่เขาแขวนเอาไว้ผมก็เคยเห็นตามวัดวานหลายๆแห่งที่เขาแขวนโครงกระดูกเอาไว้ร่างกายของเราก็เป็นโครงกระดูกอย่างนั้นเหมือนกันไม่เป็นอย่างอื่น จากนี้เรากําหนดดูเออนึกสะกดเหมือนกันเถอเออนึกดูนึกในนึกในร่างกายของเราใช้ใจของเราเนี่ยนึกนึกคิดดูร่างกายของเราตั้งแต่กระโหลกศีรษะดูกระโหลกศีรษะลงมาแล้วก็ดูที่คอที่ไหล่ที่แขนทั้งสองข้าง กระดูกหลังกระดูกชีโครงกระดูกเอวกระดูกเชิงกรานกระดูกขากระดูกเข่ากระดูกแข้งกระดูกฝ่าเท้ากระดูกนิ้วเท้าทั้งสองข้างซ้ายขวาอันนี้คือโครงกระดูกในร่างกายของเราเป็นโครงกระดูกใช่ไหมอันนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้มันจริงในร่างกายของของเรามีโครงกระดูกอันนี้เรียกว่า ถา น, นิดอย่างนี้เป็นแนวแถวของวิปัสสนานะคือความนึกคิดให้เห็นตามความเป็นจริงนี่แหละวิปัสสนาแต่เบื้องแรกเราพยายามทําจิตให้สงบถ้าจิตของเราอยู่กับกรรมฐานกําหนดลมหายใจเข้าออกพุโทโธพุโทโธเรพุโทโธพุโธพุโทพโธจิตของเราอยู่นิ่งก็ให้มันพักผ่อนในอยู่ความอยู่นิ่งนั้นแต่มันยังมีการเล็ดลอดออกไปอยู่ มันอยากจะออกไปอยู่มันยังไม่อยู่เนี่ยให้พิจารณาร่างกายนะให้กำหนดอย่างที่ผมว่านให้ดูกระดูกใหญ่ให้มันไปที่อื่นเหมือนกนให้ดูโครงกระดูกของเราเนี่ยนะถึงจะมันจะปรุงอย่างไงก็ให้มันอยู่ในโครงกระดูกอสติดูโครงกระดูกซึ่งกระดูกศีรษะของคนไปยังไง เ, เป็นหยักๆยัก เ, เป็นเหมือนกับฟันอะไรหมาตาย อ, อยู่ในกระโหลกของเรามันเป็นสีเสียง สีเสียงหกเสียงอะไรฮะจากนั้นก็มีฟันเฮ้มีจมูกเป็นโครงกระดูกทั้งนั้นมีคางมีขากันไกลเฮ้มีฟันมีฟันบนฟันล่างเฮ้ฟันล่างกับขากันไกลจากนั้นก็มาที่คอที่คอกระดูกเป็นข้อ ข, อขอที่คอจากนั้นก็มีมาแขนหมายปาร้ามาที่แขนทั้งสองข้าง้ายกว่ามาถึงข้อศอก มีแขนออกมา ป, ป้องแขนส่วนล่างเป็นสองซี่จากนั้นก็เป็นข้อมือจากนั้นก็เป็นนิ้วมือทั้งหนิ้วเป็นกระดูกทั้งนั้นอยู่ในนี้ใช่หรือไม่อันนี้ก็พวกเราก็คงจะไม่ปฏิเสธว่าร่างกายเพราะเราเป็นโครงกระดูกอยู่ในเนี้ยที่พวกเรายืนเดินนั่งนอนเรานอนเฝ้าโครงกระดูกเพราะโครงกระดูกยืนเรานอนเฝ้าโครงกระดูกตัวเอง แต่ว่าใจของเราเท่านั้นที่อยู่ในร่างคือความรู้สึกทั่นละคือใจที่เฝ้าโครงกระดูกกําหนดโครงกระดูกตั้งแต่ศีรษะจนถึงฝ่าเท้าแล้วกระดูจากฝ่าเท้าขึ้นมาศีรษะกลับไปก ล, บกลับมากลับมากลับไปเราจะไปกําหนดว่าพิจารณากี่เที่ยวกี่ครั้งกี่รอบถ้าว่าใจของเรามันยังอันนั้นอยู่กับพิจารณาพิจารณาไปเรื่อยๆพิ พิจารณาเข้าไปออให้ละเอียดการพิจารณานยอย่าอย่าพิจารณาแบบเร็วนะพิจารณาแบบช้าๆกาหนดดูออกาหนดช้าๆให้ดูร่างกายให้ดูกระดูกไม่ให้เห็นอย่างอื่นงนั้นไม่เห็นไม่ให้เห็นร่างกายส่วนอื่นให้เห็นแต่กระดูกเท่านั้นตั้งแต่กระโหลกศรีรษะจนถึงฝ่าเท้าจากนั้นก็เราเห็นกระดูกส่วนไหนในร่างกายของเราเ เห็นชัดในความรู้สึกของเราเราเห็นกระโหลกศีรษะของเราเราเอาใจของเราน่ยคือความรู้สึกของเราเน่ะมาไว้ที่กะโหลกศีรษะของเราเห็นกระโหลกศีรษะของเออมนุษย์ของเรานี่มีกระโหลกอย่างนี้หนอะเราก็มีกระโหลกอย่างเขาเขามีกระโหลกอย่างเราไม่แพ้กันมนุษย์ของเราเนี่ยมีโครงสร้างคือกระดูกนี่แหละอันนี้เอาใจจ่ออยู่ตัวนั้นไม่ต้องคิดไปทางอื่นเลยกำหนดอยู่จุดนั้นจุดเดียว นี่แหละอันนี้เปลว่าใช้การพิจารณาซะก่อนจึงกำหนดน่ปัญญาอบรมสมาธิที่องค์หลวงตาที่ท่านพูดในวิธีการปฏิบัติสำหรับพวกเราสมาธิเกิดขึ้นหลายหลายแนวทางอย่างที่ว่ากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอนี้ขดใช้ หรือว่าก้าวขาเดินขาก้าวขวาพดข า, ข า, ข า, ข า, ขาสายโถกชายหรือกาหนดดูจิตของตนเองจิตในการเคลื่อนไหวจิตของเราคิดเรื่องอะไรในขณะนี้เอาสติจับดูใจของตนเองใจของเราคิดเรื่องอะไรในขณะนี้ไม่เห็นใจปป่งฟุ้ ง, งอันนี้ก็ได้เรียกว่าจิตตาโน ป, ปัสนาสติปฐานดูใจของเราแต่ว่าสมาธิมีอยู่สมคณิกะสมาธิ จิตของเราเข้าสู่ความสงบแบบเสียดสิวแบบวับเข้าไปคือจิตเขาสงบช่วงคู่หนึ่งแต่จิตธรรมดากับจิตสงบนั้นพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองถ้าจิตสงบนั้นจิตมันจะเย็นสบายมีความสงบจิตเข้าสู่ความสงบมันวาบเข้าไปเร า, เารู้ได้โอ้โห เหมือนกับเราไปร้อนๆเราไปจับน้ําแข็งอย่างนั้นหรือเราไปดื่มน้ําแข็งอย่างนั้นนะเออมันสบายเวลาออกมาใจของเราเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกว่ามันแว บ, บเข้าไปแต่ว่าผลของมันที่ว่าใจเข้ามาสู่ตัวเองเนี่ยใจของเราสบายมีความสุขเัออันนี้คืออะไรอันนี้แปลว่าคณิกะสมาธิจิตเข้าสู่ความสงบชั่วครู่หนึ่ง ช่วขนาหนึ่ง น, นั่เรียกว่าคณิกะอุปจาระสมาธิทีนี้ที่เหนือขึ้นไปกว่าคณิกะคือเราพยายามภาวนากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกสติก็อยู่กับลมหายใจเข้าออกนั้นใจของเราก็อยู่รู้เห็นในเรื่องราวการพิจารณาร่างกายก็เห็นมันจะไม่ปุ่งฟุ้งออกไปข้างนอกเห็นและสติจับร่างจั บ, จ, บจิตสติจับ ตัวผู้รู้ผู้รู้ไม่ไม่ออกส่งไปข้างนอกสติของเราจับอยู่กับผู้รู้นั้นผู้รู้นั้นความรู้นั้นคิดเรื่องอะไรก็รู้เนีเสียงได้ยินมาก็ไม่ได้ส่งไปตามเสียงไม่ได้ส่งไปตามตาตามหูรู้อยู่ว่าในกายของเราในขณะนี้เราทําอะไรเรารู้รู้อยู่ในกายของเราอันนี้แปลว่า อุปจารสมาธิใจไม่ส่งออกไปข้างนอกอันนี้ถ้าจะพิจารณาร่างกายอุปจาระสมาธินี่เหมาะที่สุดที่จะพิจารณาเห็นร่างกายเห็นตามความเป็นจริงอย่างไรให้เห็นเป็นไตรลักษณ์อย่างไรอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอย่างไรจิตที่เป็นอุปจาระสมาธินี่เหมาะในการพิจารณาแต่ถ้าวัดพอกําหนดตัวอีกอเราดู เพราะเราไม่ได้พิจารณาเรากําหนดดูใจของตัวเองให้มันอยู่นิ่งดูใจของตัวเองตลอดมันจะลงไปอีกเป็นอัปปนาสมาธิอันนี้อัปปนาสมาธินี่เราจะไม่รู้ว่าเรานั่งอยู่ณนะที่ใดเสียงอะไรจะรับไม่ได้ยินเสียงรถเสียงราเสียงสัตว์เสียงอะไรก็ตามเราจะนิ่งเงียบทั้งหมดจะไม่ได้ยิน เรา cope. นั่งอยู่ณสถานที่ใดเราก็ไม่รู้แต่ว่าเร า, นะา hey. รู้สติกับจิตนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสติกับจิตนั้นแน่อยู่อันหนึ่งอันเดียวกันไม่รับรู้ทางกายไม่รับรู้เสียงภายนอกเราไม่รับรู้เรื่องว่าเรานั่งอยู่ณสถานที่ใดแต่ว่าจิตประเภทนี้ไม่ใช่ว่ามันจะสงบได้ง่ายๆเท่าไหรในที่จุนจ้านวุ่นวายมันจะสงบไม่ใช่อย่างนั้น จิตประเภทนี้จิตที่มันจะสงบประเภทนี้ต้องเป็นส่วนตัวที่สุดอยู่ในที่ส่วนตัวที่สุดในที่ปลอดภัยที่สุดมันจึงจะเข้าสู่ความสงบจุดนี้ได้จิตที่เป็นอัปปนาสมาธินี้ไม่ใช่นอนหลับนะแหน่นอนหลับอีกแบบหนึง่งจิตที่มันสงบนั่นก็คือสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรู้ในตัวอันเดียวกันนี่แหละเพียงเราทําจิตให้สงบเป็นหนึ่ง อัปปนาสมาธิเท่านี้เราก็พอจะรู้แนวทางว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนตัวไหนพาไปเกิดตัวไหนเป็นศูนย์ตัวไหนศูนย์เราจะรู้ได้ด้วยตนเองจิตที่เป็นอัปปนาสมาธมิมันชัดเจนถ้าจะว่าไปในร่างกายของเราเนี่ยกายก็คือกายใจก็คือใจอาศัยกันอยู่แต่ไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับรถกับคนกับรถอย่างนั้น มันอาศัยกันอยู่แต่ไม่ใช่อันเดียวกันอันนี้เราพวกเขาพวกเราอยากให้พวกเราศึกษานะศึกษาที่ตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ชี้แนวทางสําหรับพวกเราตั้งแต่คณิกะตั้งแต่บริกรรมภาวนาพุทโธนั่นแหละาจากนั้นก็พิจารณาร่างกายจากนั้นก็พิจารณาถึงตัวผู้รู้คือใจใจคือผู้รู้เนี่ยแหละนํามาพิจารณาดูกําหนดดู แต่เมื่อจิตตรงถึงอัปปนาสมาธิแล้วให้มันพักตามตามต้องการในเมื่อถึงกำหนดที่มันจะถอนขึ้นมันจะถอนขึ้นมาเองพอถอนขึ้นมาแล้วทีนี้จะมาอยู่ในอุปจารสมาธิเราจะพิจารณาอะไรใจนั้นมีกำลังใจนั้นมีความสุขใจนั้นมีพลังใจนั้นไม่หิวโหวย ใจไม่ว่าวอ้างวางเงียบเหงาซึมเศร้าใจนะั้นเหมือนกับคนเ อ, อกินอาหารนอนหลับตื่นขึ้นมาแบบร่างกายสมบูรณ์ที่สุดอันนี้ลักษณะใจของเราก็จะเปรียบเทียบกับลักษณะอย่างนั้นนะเคือใจของเราเนี่สมบูรณ์เ อ, อไม่หิวโหวยกับอารมณ์ต่างๆพร้อมที่จะพิจรารณาเรื่องอะไรที่มาที่เห็นระหว่างร่างกายสังขารเราก็รู้ อ, อ แต่วิชาทางแพทย์ทางหมอเรียนเข้ามารู้เพียงแต่ว่าร่างกายทำหน้าที่อะไรแต่ละอย่างหัวใจทำหน้าที่ยังไงเขามีหน้าที่ยังไงหัวใจตับมีหน้าที่อะไรปอดมีหน้าที่อะไรไตมีหน้าที่อะไรในร่างกายของเราแต่ละส่วนมีหน้าที่อะไรอันนี้คือเพียงเรียนรู้แล้วก็เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไข ที่มันมีปัญหาจะต้องแก้ไขในจุดนั้นๆแต่ในหลักของพุทธศาสนาพิจารณาให้เห็นว่าทุกส่วนของร่างกายถึงจะดูแลทนุถนอมบำรงรักษาดีขนาดไหนทุกกระเบียดนิ้วที่วันดีที่สุดร่างกายนี้กระอยู่ไม่ได้ต้องเป็นอันิจังของไม่เที่ยงอันตรีจังทุกขงังสิ่งไหนที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุก สิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราอันนี้ให้พิจารณาถึงใจใเท่นี่พระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาไม่ให้พิจารณาเพียงร่างกายแต่หมอในพิจารณาเพียงร่างกายว่าอาการ ข, ของแต่ละสัดส่วนของร่างกายนั้นอวัยวะของร่างกายนั้นทําหน้าที่อะไรแต่ในหลักของพระพุทธศาสนานั้นท่านย้อนถึงตัวผู้รู้คือใจใจในไปรับรู้ในสิ่งเหล่านั้นไปหลงในสิ่งเหล่านั้น แต่สิ่งเหล่านั้นไม่นานจะต้องแตกสลายจะต้องตายจะต้องเสื่อมสภาพจะต้องเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงทุกขังสิ่งไหนเป็นอนิจจังสิ่งนั้นเป็นทุกข์ถ้าสิ่งนี้ที่เป็นทุกข์เราจะไปยึดว่าเป็นตัวตนของเราได้อย่างไรเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราเพรา ะ, ะนั้นร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิเสธร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราถ้าเป็นของเรา เราก็ต้องบอกว่าอยแก่อย่าเจ็บจะตายอย่าไปสิ่งที่มันไม่พึงพอใจใบอกร่างกายมันก็อยู่ในสภาพอันนี้มันบอกไม่ได้มันไหลไปตามสภาพของมันมีแต่ใจของเราตัวผู้รู้เนี่ยไปทุกข์ไปเดือดไปร้อนกับร่างกายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านให้มองใจตัวที่ว่านั่นในเมื่อเราจิตอย่างที่ผมได้พูดเบื้องต้นว่า จิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งสติเป็นอะไดจิตเป็นนันนั้นตัวนั้นละ่ะจะเด่นชัดในความรู้สึกของเราในเมื่อเรารู้สึกจุดนั้นแล้วเราจะนํามาพิจารณาร่างกายเราก็จะเห็นชัดว่าร่างกายกับใจนั้นคนละส่วนกันเพราะนั้นพวกเราให้ศึกษานะหลักของพระพุทธศาสนาหนึ่งไม่ใช่หลักเลื่อนลอยเป็นหลักวิทยาศาสตร์สามารถที่จะรู้ได้ด้วยตัวของเราเอง ถ้าเราปฏิบัตินะ่ะเราจะรู้ได้เห็นได้ตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าจากนั้นก็เมื่อพิจารณาเห็นแล้วจะทํำยังไงก็พิจารณาถึงตัวพุรู้คือใจใจไปหลงเขาใจไปหลงร่างกายในเมื่อหลงร่างกายแล้วหลงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับร่างกายอันดับแรกคือหลงตัวเองก่อนหลงร่างกายว่าเป็นของเราจากนั้นก็หลงพ่อหลงแม่ หลงวงสาคนายญาติหลงสามีภรรยาหลงหลูกหลงเต้าหลงทรัพย์สมบัติหลงยศถาบรรดาศักดิ์หลงไปหมดอยู่ในโลกวัตฏสงสารผลที่สุดก็ว่าตัวเองเป็นบุคคลสำคัญว่าสิ่งเหล่านั้นมาเป็นตัวตนของเราผลที่สุดชักวันหนึ่งวันนั้นเข้ามาถึงคือมรณะภัยมาถึงทุกสิ่งทุกอย่างเราปล่อยวางทั้งหมด ไม่มีอะไรที่จะนําไปกับเราได้ออกไปจากใจดวงเดียวตายแล้วไม่สูญน่ะดวงนั้นใจตรงนั้นน่ะที่ว่าเนี่ยจิตสงบเป็นสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นตัวนั้นเ่าจะออกจากร่างกายไแล้วร่างกายนี้ทิ้งหมดยศถาบรรดาศักดิ์ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงทิ้งทั้งหมดไปตามลําพังใจดวงเดียวอถ้าใจดวงนั้นปึกดีแล้วมีกุศลใจดวงนั้นก็ไปสู่สุขติ ถ้าว่าใจตรงนั้นทํากรรมชั่วสิ่งไม่ดีกรรมชั่วนั้นจะเข้าไปชุดลากลงไปในทางต่ำํำ เ, เพราะนั้นพวกเรามาคราวนี้ให้มาศึกษาให้มาศึกษาเรื่องใจในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์พูดขึ้นต้นเลยว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเสธามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำหร็จแล้วรวยใจนะเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะในวันนี้ก็ได้ พูดกันตั้งแต่เริ่มต้นเกี่ยวกับวินัยได้อ่านได้ศึกษาให้ฟังแล้วก็ทางพวกเราไม่มีศีลก็ไม่เหมือนกับพระไม่มีเสื้อผ้าไม่มีอาภรณ์ปกปิดร่างกายไปนัดสถานที่ใดก็เป็นที่ตําหนิของคนทั้งหลายเพราะพระไม่มีศีลไม่มีสัมมากระวะไม่มีอย่างอายเพราะฉะนั้นศีลและวิ น, นัยเป็นที่คุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายจากนั้นก็เรื่อง วิธีการคิดเราอยู่จะไงให้อยู่ในความสงบพยายามอยู่ตามลําพังอย่างที่ผมว่าเนะ่ยนะถ้าเมื่อเราพยายามอยู่ตามลําพังเราจะจะรู้นะนะว่ามันลําพังเป็นยังไงมัน ว, าว้าหวอ้างวาง้ามันคิดซึมเศร้าม้อยเหงาเออนั่นแหละตัวนั้นแะคือตัวกิเลสเห็นดูตัวนั้นให้ดูใจนะั้มันเป็นยังไงเราพยายามศึกษาจุดนั้นอต้องสู้มันให้ดูจุดนั้น ในเมื่อตูวจุดนั้นแล้วเอาจุดนั้นละ่ะตัวที่มันรู้น่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะมาพิจารณาอากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้ดูใจเท่นี่พอเห็นจุดนั้นแล้วเห็นเห็นความรู้สึกจุดนั้นละ่ะนํามานํามาให้เกิดประโยชน์อย่างนั้นเถอะเท่นี่กำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทให้ดูใจมันจะไปคิดไปทําไมจากนั้นก็มาพิจารณากายอย่างที่ผมว่านะตั้งแต่กระโหลกศีรษะจนถึงฝ่าเท้า จากนั้นจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งกนีิกะอุปจาระอปปนารู้ไดใ้ใจด้วยตนเองจากนั้นก็พิจารณาร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราถ้าไม่หลงกายแล้วก็ไม่มีอันจะหลงรู้แจ้งเหตุจริงหมดแล้วปล่อยวางอืมตามหลักของพุทธะนะวันนี้ผมขอพูดเพียงเท่านี้ก่อนอะจากนี้ไปก่อนนั่งสมาธิชักชั่วระยะหนึง่งแล้วก็ค่อยแยกย้ายกันกลับเอานั่งสมาธินาะทีนนะะวันนี้เอาตัวนี้ก่อนนะ อุธิส่วนกุศลทุกครั้งออกจากสมาธิพวกเรานักศึกษาตลอดถึงพระในวัดของเราทุกๆองค์นั่นเวลานั่งสมาธิหรือไหว้พระสวดมนต์อะไรก็ตามะในช่วงนี้เป็นช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราครบครองราชห0สปีจะจบลงเดือนมิถุนาวันที่เก้ามิถุนา แล้วก็ประชนมายุพรรษาของท่าน80ปพรรษาก็มีการเฉลิมฉลองกันทั่วประเทศเพราะนั้นเวลาเราหนังสมาธิไหวพระสวดมนต์ประกอบคุณงามความดีหนังสมาธิภาวนาก็ถวายพระราชกุศลต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีและพระบ ร, ร, ร, รมวงศ์สายุกวงตลอดถึงประเทศชาติบ้านเมืองของเราทุกครั้งนะ ถึงจะผมจะบอกหรือไม่ได้บอกก็ตามก็ น, น้อมจิตถวายพระรักกุศลต่อในหลวงของเราที่เป็นร่มโพล่มใสที่ประสบในก่อนทุกหมู่เหล่ากระทํากันอยู่พวกเราได้บวชในพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ก็ถวายเป็นพระรัชกุศลต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดอุทิศวนกุศลถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราด้วยนะแล้วก็ให้พาพระใหม่ไปชมกัน อย่างวันนี้ใหม่พระแล้วก็เอาเทพหลวงตามาเทศเอาเทพหลวงตามาอบรมฟังเทศฝากแผ่นซีดีขององค์หลวงตาจากนั้นก็นั่งปฏิบัติแล้วก็ค่อยเลิกกันคือพระใหม่ที่เข้ามาเนะี่ยยังไม่มีจุดยืนก็ควรจะพาปฏิบัติไปทุกวันทุกวันเพท่านเหล่านี้ดูไปแล้วก็ต่อไปภายภาคหน้าเป็นทรัพยากรของชาติ จะได้เรียนรู้ถึงพระพุทธศาสนาถ้าพวกเราที่อยู่วงในที่เราเป็นพีเลี้ยงไม่ยัดเยียดไม่ให้ความรู้แก่ลูกหลานลูกหลานจะเป็นคนดีได้อย่างไรถ้าว่ลูกหลานได้ศึกษาแนวแนวทางปฏิบัติได้ศึกษาในหลักของพระพุทธศาสนาได้ศึกษาหลักทางใจถ้าเรายึดหลักทางใจได้แล้วนะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราก็จะได้ทา ปฏิบัติถูกต้องอยู่กับโลกก็อยู่ด้วยความไม่เครียดไม่โกรธโมโหโท่โสอยู่ได้โลกกับเราเรากับโลกเป็นยังไงก็วางตัวให้มันถูกนะถ้าว่าเราไม่มีธรรมะในจิตใจแล้วทำอะไรเนะ่ยมันเครียดนะเครียดโมโหโทโสอยากจะให้ได้ใจของเรามันจะได้ใจอย่างเราของเราได้ยังไง แนต่างคนก็ต่างใจของเราใจของเราไม่ถูกใจเราคนอื่นจะเป็นถูกใจเราได้ยังไงเพราะนั้นบางสิ่งบางอย่างามันก็ต้องได้บางเสียบางหยวนมังั้นแต่แต่ตัวของเราอย่าให้ขาดตกบกพร่องพยายามทำให้ดีที่สุดถ้าเป็นลูกก็ทำหน้าที่ลูกให้ดีที่สุดหน้าที่ลูกดียังไงปฏิบัติตนให้เป็นคนดีอย่าให้หนักอกหนักใจพ่อแม่ที่ท่าน เลี้ยงดูเรามานะถ้าเป็นครูบาอาจารย์เราก็ทําตัวให้ดีที่สุดจะเป็นพลเมืองของชาติก็พยายามทาตัวให้ดีที่สุดสรุปแล้วก็คือเราอยู่ในสถานะไหนให้ดีที่สุดในสถานะนั้นๆเดี๋ยวผมจะสาธิตครองผ้าให้ดูนะผ้าไหมนะ